ส0สังฆเพทะสิกขาบทพิกษุทผู้ทำสง์ให้แตกกันถูกสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งก็ยังไม่สละต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. จบยติต้องอาบัาบ ต, ตออบทุกกฎสองจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุนละใจสามจบกรรมวาจาครั้งสุดท้าย